คนที่แปดิบห้ารถตกหิวนล่รอมาถึงเลยเวลานัดไปครึ่งชั่วโมงเขาขอโทษขอโพยพร้อมกับโยนความผิดไปให้ในกล้วยลูกน้าชาย เป็นเพราะไอ้กล้วยที่ทำให้ผมมาช้ามันบอกจะแต่งตัวรอผมไปถึงมันยังไม่ตื่นนอนเลยครับต้องเรียกอยู่ตั้งนานนานถึงชั่วโมงเชหรึอพระนุมถามด้วยเสียงพูดของอีกฝ่ายหนึ่งฟังดูพิรุธชายหนุ่มหัวเราะแหะๆ่ๆก่อนตอบว่าไม่ถึงหรอกครับพอดีผมเองตื่นสายไปหน่อยมันรู้สึกวันบาดยังไงก็บอกไม่ถูก เลยหลับหลับตื่นตื่นอยู่ทั้งคืนพอมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบตีสี่แล้วพระเจริญสะดุดใจกับคำว่าวันหวาดเหตุใดในหลอ่อจึงต้องมีความรู้สึกเหมือนท่านหรือว่าจะต้องประสบเคราะหกรรมร่วมกันพระนมรู้สึกกังวลแล้วเจ้ากล้วยรอในรถหรือท่านถามถึงผู้ร่วมเดินทางอีกคน มันไปแล้วล่ะครับหลวงพี่มันท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นบอกถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยขอตัวผมขยันขย อ, ยอยังไงก็ไม่ยอมไปด้วยในหล่อรายงานพระหนุ่มเพลอพูดออกมาว่างั้นเราคงต้องผเผชิญกับกระหกรรมกันเพียงลำพังละสิหลวงพี่ว่าอะไรนะครับฟังดูทะาแม่งท่าแม่งชอบกนไม่มีอะไรหรอก ข้าเพียงแต่อยากให้ใครไปด้วยอีกคนหนึ่งจะได้ไม่รู้สึกน้อยเหงาเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้ชายหนุ่มจึงสารภาพว่าผมรู้สึกใจมัน ห, หายหายยังไงชอบคนหรือว่าเราเลิกล้มความตั้งใจกันดีไหมครับบอกแม่นวลว่าหลวงพี่ห้ามไม่ให้ไปเองจะให้ข้าโกหกงั้นหรือข้าไม่ยอมหรอกนะถึงข้าจะเคยพูดปดมดเท็จสมัยยังเป็นค้าหรหัด แต่เมื่อมาบวชแล้วข้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติไว้ข้าจะไม่เป็นพระสักแต่ว่าโกนหัวหอมผ้าเหลืองเท่านั้นพระรัน์มให้เหตุผลถ้างั้นผมจะไปบอกแกว่าผมขัดข้องค่อยไปวันอื่นก็ได้เพราะวันนี้เลิกไม่ดีนายหล่อหาทางออกได้ความรู้สึกไม่อยากจะไปจริงๆอย่าทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ถ้าเราทำกรรมอะไรไว้สักวันเราก็ต้องรับผลของมันผัดผ่อนไปก็ไร้ประโยชน์รีบๆใช้ซีให้หมดดีกว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นข้าถึงไม่อยากให้เองผัดผรอาจไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้เองกับข้าคงวิตกกังวลกันไปเอง ท่านปลอบใจคนเป็นคารหัดซึ่งเท่ากับปลอบใจตัวเองด้วยเอาไงเอากันผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนดีอย่างหลวงพี่กับผมนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คงไม่ถึงกับตายมั้งหรือถ้าตายก็นึกเสวะใช้กรรมไม่มีใครหนีกรรมไปได้ขนาดพระโมคคานนะท่านเป็นพระอรหันก็ยังหนีไม่พ้นนับระษาอะไรกับปุตุชนอย่างเรา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 หลวงพี่ไม่กลัวอุบัติเหตุหรอครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะมาโทษผมไม่ได้นะครับเอาเถอะข้าไม่โทษเองหรอกหากว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะโทษเวนโทษกรรมนั่นแหละในหล่อจึงเหยียบคันเร่งให้รถวิ่งเร็วกว่าเดิมครั้นรถวิ่งเร็วกลับเกิดความวันหวาดมากขึ้นจึงลดความเร็วลงกระทั่งช้าเท่าเดิมอีกระวังเต่าจะแซงนะถ้าขืนครานมเตียมแบบนี้ รัจจเจริญรู้สึกกำคาญขึ้นมาอีกจึงต้องว่าปล่อยให้มันแซงทะกรับหลวงพี่ก็กระต่ายยังแพ้ม น, นินาในหลอดตอบกลวนๆนั่นมนิทานตั้งหักหลักกระต่ายที่ไหนจะแพ้เต่าก็กระต่ายในนิทานไงครับคนขับพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อปกปิดความหวาดหวั่นในใจสงสัยจะเป็นกระต่ายขาด้วนนิทาน ก็ขอให้อยู่ในดิษฐานส่วนชีวิตจริงเองต้องขับให้เร็วกว่านี้หรือมิฉนั้นก็กลับวัดพระนุมออกคำสั่งแบบให้เลือกได้นั้นผมขอเลือกกลับวัดชายนมต่อปรางเหยียบเบลดแล้วเอ็งอย่ามาชวนข้าไปไหนอีกนะให้ชวนคนอื่นแทนพระนุมสร้างเงื่อนไขไปกับคนอื่นมันไม่อุ่นใจนี่ครับ เอาเถอะไหนๆผมก็ต้องไปขอให้ไปกับหลงพี่นี่แหละตกลงครับผมจะขับเร็วกว่านี้เขาเข้าเกียร์ <ๆ S 2> แล้วเหยียบคันเร่งขับไปทั้งๆที่ใจกลัวๆกล้าๆตกข้ามขนาดที่รถกาลังไต่ขึ้นมาฝนตกลงมาอย่างไม่มีปีมีกลองซ้ำยังตกหนักชนิดที่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นที่ปัดน้ําฝนหน้ารถต้องทำงานอย่างหนัก ประนั้นก็ทำให้คนขับมองไม่เห็นทางเขาลดความเร็วลงจนรถเจียนจะไหลลื่นลงยามไต่ไหลเขาพระเจริญไขกระจกขึ้นเพราะฝนาสาดเข้ามาในรถเมื่ออากาศระบายไม่สะดวกจึงทำให้คนในรถรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องกระทั่งฝนซาเม็ดลงท่านจึงไขกระจกซ้ายมือลงจนสุด ส่วนด้านที่ติด ก, กับคนขับยังขายลงไม่ได้เพราะละอองฝนปลิวเข้ามากับลมค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยท่านปรารบรู้สึกเมื่อยขบไปทั้งตัวโดวยเฉพาะที่ขาเนื่องจากนั่งรถมาทั้งวันอดทนหน่อยนะครับหลวงพี่พ้นเขาลูกนี้ก็ถึงแล้วนายหล่อบอกหลวงพี่อย่างรู้สึกเกรงใจที่พาท่านมาลำบากตรากตรา คงไม่มีรถสวนมากระมังเพราะมืดแล้วเองขับชิดขวาก็ได้ท่านบอกคนขับทางที่รถวิ่งเป็นถนนลาดยางความกว้างของถนนพอที่รถจะสวนกันได้ซ้ายมือเป็นเหวไม่มีอะไรกัน้นนอกจากต้นไม้ที่ขึ้นปรับปลายไม่เป็นระเบียบส่วนขวามือนั้นก็เป็นภูเขาหินการขับชิดขวาดูจะปลอดภัยกว่าขับชิดซ้าย ซึ่งหากขับไม่ดีรถอาจลื่นลงเหวได้ในหล่อจึงขับชิดขวาตามคำแนะนำของหลวงพี่ขับไปได้พักใหญ่ก็ไม่มีรถแล่นสวนมาสักคันทำให้เขามั่นใจว่ามีรถเขาคันเดียวที่กำลังแล่นอยู่จึงเร่งความเร็วขึ้นเพราะอยากจะให้ถึงที่หมายโดยเร็วฝนสาเม็ดลงได้สักครู่ก็หยุดตกคนขับจึงไขกระจกด้านขวามือของเขาลง โดยใช้มือข้างซ้ายประคองพวงมาลัยเป็นเวลาเดียวกับที่รถกระบะคันหนึ่งแล่นสวนมาในหล่อตกใจหักซ้ายอย่างแรงเพื่อจะหลบรถคันนั้นรถเสียหลักพุ่งลงเหวตัวเข้ากระเด็นออกมานอกรถรีรสะฟาดพื้นนอนสลบมื่ออยู่ข้างถนนส่วนพระเจริญก็กระเด็นออกจากหน้าต่างรถตกลงไปในเหวผ้าชีวร และสังคติหลุดจากกายเหลือเพียงสบงที่นุ่งอยู่ท่านนอนสลบสไลด์ไม่ได้สติอยู่ก้นเหวเนื้อตัวถลอกปอกเปิกเลือดไหลซิบๆรถที่วิ่งสวนทางมาแล่นเลยไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสิบวาเพราะมีรถจอดหลบให้คนขับนั่งมากับภรรยาและลูกชายวัยแปดขวบสองแม่ลูกนั่งหลับสับสงกมาตลอดทาง จึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรั้นเมื่อจอดรถภรรยาก็ตื่นขึ้นพร้อมคำถามรถเป็นอะไรนะพ่อจอดทำไมหล่อนเรียกสามีว่าพ่อรถคันหนึ่งวิ่งมาทางขวาเกือบจะชนกับเราคนขับเลยหักหลบตกเหวไปเลยเราไปดูกันหน่อยเถอะเขาชวนภรรยารู้สึกกลัวไม่กล้าไปคนเดียวและอย่างนี้เราผิดไหม นางกลัวความผิดจะผิดยังไงก็เขาวิ่งมาทางเราเองและสองผัวเมียจึงพากันเดินไปดูเห็นคนนอนสลบอยู่ข้างถนนจึงเข้าช่วยเหลือเขาตายไหมคนเป็นเมียถามขณะที่สามีจับชีพจรคนเจ็บ ไม่ตายชีพจรยังเต้นอยู่เราพาส่งโรงหมอเธอถ้าเช่นนั้นพ่อไปถอยรถมาก่อนนะสามีเดินกลับไปที่รถเพื่อจะถอยมารับคนเจ็บภรยาเดินตามไปด้วยเพราะรู้สึกกลัวถอยรถมาแล้วสองผัวเมียจึงช่วย ก, กันหามคนเจ็บไว้ท้ายรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนพระเจริญจึงรู้สึกตัว ท่านรู้สึกหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั่วร่างเลือดที่ไหลซิบซิบแห้งกรังทิ้งเป็นรอยบาดแผลเล็กๆน้อยๆอยู่ตามตัวฝูงยุงป่าพากาันดูดเลือดท่านกินอย่างอร็ดอร่อยโดยไม่สะทกสะท้านกับอากาศที่หนาวเหน็บท่านนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลันก็รู้สึกเป็นห่วงในหลอไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปเสียแล้วหล่อเอ้ยหลอ เองอยู่ที่ไหนท่านส่งเสียงเรียกออกไปในความมืดก้นเหวมืดมิดมองอะไรไม่เห็นแถมยังอับชื้นแทบหายใจหายคอไม่ออกไม่มีเสียงตอบจากนหลอ่อนอกจากเสียงมแมลงกลางคืนส่งเสียงร้องระงมโต้เอ้ยเจ้าหลอเองไม่น่าต้องมาประสบเคราะห์กรรมร่วมกับข้าเลยข้าผิดเองที่บอกให้เองขับชิดขวา ท่านโทษตัวเองเป็นเพราะข้าตั้งอยู่ในความประมาทเชียวเองถึงต้องมาตายขอให้เองไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะและอย่าผูกพยาบาทอาคาตพยาเวนกับข้าเลยเอโหสิกรรมให้ข้าด้วยพระนมลำพึงลำพันอยู่ในความมืดทุกครั้งที่ประสบกับความทุกข์เดือดร้อนบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงก็คือโยมยาย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 ที่ต้องการความรักความช่วยเหลือจากยายอากาศหนาวเหน็บช่างทารุนสนิกระพร ะ, จะเจริญดึงสะบงขึ้นมาคลุมศีรษะขดตัวให้สั้นที่สุดเพื่อจะซุกอยู่ในสะบงได้อย่างน้อยก็ทำให้ยุงกัดลำบากขึ้นเพราะต้องใช้ปากอันแหลมคมของมันเจาะผ่านสะบงชั้นหนึ่งก่อนจึงจะถึงเนื้อนหนังของท่านไม่เคยรู้สึกทรมานครั้งใดเท่าครั้งนี้ ท่านพยายามข่มใจให้หลับเพราะการหลับทำให้ลืมความทุกข์ความหนาวเหน็บหากก็หลับไม่ลงสมองรุ่นคิดอะไรต่อมิอะไรสารพัดเรื่องลืมไปว่าความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อสดและเจ้าคุณอาจารย์นั้นสามารถนำออกมาใช้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากเช่นนี้ เพราะกรรมมาให้ผลจึงทำให้ท่านมองไม่เห็นทางที่จะช่วยตัวเองได้ในความหนาวเหน็บเจ็บปวดนั้นท่านพยายามระลึกถึงกรรมที่เคยกระทำไว้ในวัยเด็กกรรมอันใดหนอที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ท่านกลับลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่จำความได้กระทั่งโตเข้าโรงเรียนว่าเคยทําอะไรไว้บ้างและแล้วภาพเหตุการณ์ครั้งอดีตก็ปรากฏในมโนนึกอนิจจาเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วและท่านก็ลืมมันไปแล้วไม่เคยนึกถึงอีกต่อเมื่อมารับผลของมันจึงนึกขึ้นได้ครั้งนั้นท่านยังเป็นเด็กชายไว้ผมแกะ เรียนอยู่ป .4 ใกล้ๆโรงเรียนก็มีบ้านของตาปลังท่านมุดรัว้วหนีโรงเรียนไปทางนั้นตาปลั่งเห็นเหตุการณ์ก็เตือนท่านว่าหนีโรงเรียนต่อไปจะลําบากเพราะหากมีวิชาติดตัวไปทํามาหากินอะไรก็ได้ท่านยอมรับฟังแต่เพียงแค่ฟังเท่านั้นเพราะไม่เคยทําตามที่แกสอนตาปลังมีน้องชายชื่อตาเปล่งหน้าตาเหมือนแก เพราะเป็นคู่แฝดกันคนที่ไม่คุ้นเคยกันจริงๆจะแยกไม่ออกว่าคนไหนคือตาปลังคนไหนคือตาเปล่งบ้านของตาเปร่งอยู่เลยบ้านแกไปทางทิศใต้ประมาณครึ่งกิโลเมตรในเวลาต่อมาพี่น้องคู่แฝดเกิดแย่งที่นากันเพราะพ่อแม่ตายทิ้งที่นาไว้แปลงหนึ่งไม่ได้บอกว่ายกให้ใครตะปรั่งถือสิทธิ์ว่าเป็นพี่ จึงขอยึดที่นาของตัวเองตะเปร่งน้องชายไม่ยอมจะขอให้แบ่งกันคนละครึ่งในทุสุดพี่น้องที่ครานตามกันมาจากท้องแม่ก็ต้องทะเลาะแย่งสมบัติกันชาวบ้านรู้ไปถึงเจ็ดคุ้งน้ําวันหนึ่งขณะที่ท่านลอดรั้วหนีโรงเรียนตามปกติตาปรังก็เรียกเข้าไปในบ้านไอน้โนเองอยากได้เงินใช่ไหมละ่ะ แกถามลุงจะให้หรือเด็กชายผมแกร่ถามกลับให้สิแต่เองต้องทำงานให้ข้าอย่างหนึง่งงานอะไรค่าจ้างเท่าไรเด็กชายรีบถามงานเบาๆค่าจ้างหนึ่งตำลึงเชียวนะตัปรังเสนอตั้งหนึ่งตำลึงเฉลยหรือบอกผมมาว่าจะให้ทำอะไรค่าจ้าง ง, งามๆอย่างเนี้ยผมทำแน่ เอ็งอย่าเที่ยวพูดไปนะรับสุดยอดเลยเอ็งรับปากได้ไหมได้สิรับรองผมไม่ปากโป้องเด็กป่อศรรับคํางั้นให้เอาหูมาใกล้ๆความลับมันต้องกระซิบพูดดังๆไม่ได้เมื่อเด็กชายขยับเข้ามาใกล้ตาปรั่งก็กระซิบว่าให้เอ็งไปเผาบ้านไอ้เปร่งงานเสร็จมารับเงินได้เลยเฮ้ งานเสี่ยงๆแบบนี้ผมไม่เอาหรอกอยายรู้เข้าผมถูกเคี่ยนตายเลยเด็กชายรีบปฏิเสธด้วยกลัวยายเคียนก็อย่าให้ยายรู้สิว่าก็ไหนเองว่าเก็บเป็นความลับเก่งไงเด็กชายผมแกระทำท่าครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดก็พูดขึ้นว่างานเสี่ยงๆแบบเนี้ยผมขอห้าบาทก็แล้วกันแล้วขอจ่ายสดด้วย แต่ถ้าเกิดเอ็งรับเงินไปแล้วไม่ทำงานให้ข้าละ่ะตะปรังไม่ไว้ใจทำซิคนอย่างข้าไม่เคยหักหลังใครเอาอย่างนี้ลงจ่ายมาเลยแล้วคืนนี้ผมจะจัดการรับรองไม่มีพลาดเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนดีกว่างานเสร็จค่อยมารับอีกครึ่งหนึ่งตะปรังต่อรองไม่ได้รอกเพราะเกิดคน จับตามองว่าผมมาบ้านลุงทำไมกันความลับก็แตกใช่เปล่าจ่ายมาเดี๋ยวนี้แหละตาปลังคิดทบทวนถึงผลได้ผลเสียหากว่าตัดเปล่งน้องชายตายในกองไฟที่นาก็ตกเป็นของตนเองแต่ผู้เดียวเพราะมีการสองพี่น้องหน้าแปลงนี้หากขายก็ได้เงินหลายสิบช่างลงทุนแค่ห้าบาทเท่านั้นเองคิดรอบคอบและจึงตอบตกลง เอาละข้าใจ่ายให้เองเลยแต่เองต้องสัญญาณนะหากเกิดถูกจับได้จะไม่ซัดทอดมาถึงข้าเพราะรับเงินไปตั้งห้าบาทแล้วผมให้สัญญาครับสัญญาของลูกผู้ชายลุงก็รู้ว่าผมรักษาคำพูดขนาดไหนรับเงินจากตับปลงแล้วท่านก็จัดการตามสัญญาบ้านของตบเปร่งถูกไฟไหม้ไม่มีเหลือ แต่ตาเปร่งไม่ได้ตายในกองไฟตามพี่ชายวางแผนแกพาลูกเมียห น, นีออกมาจากบ้านได้ทันทีแต่ต้องหนาวเหน็บอยู่ทั้งคืนเพราะผ้าห่มสักผืนก็เอาออกมาไม่ได้และตอนนั้นก็เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวกว่าทุกปี เป่งอาตมาใช้กรรมที่ก่อแล้วนะโปรดอโหสิกรรมให้กับอาตมาด้วยที่ทำไปเพราะยังเด็กไม่รู้ประสีระษาอะไรถ้า น, นึกขอโทษขอโพยตะเปล่งแล้วให้นึกอนาดใจที่เห็นหมูสัตว์ถูกกิเลส ช, ชักจูงให้ไปในทางเสื่อมตะปรั่งถูกกิเลสตัวโลภะดึงไปจนคิดฆ่าน้องชายคู่แฝดส่วนท่านก็โลภอยากได้เงินห้าบาท ถึงกับก่อกรรมทำเข็นนี่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นท่านคงลืมมันไปแล้วและคงจะต้องไปชดใช้ในชาติหน้าคงจะหนักหน่วงกว่านี้หลายร้อยพันเท่านายหล่อได้รับการเยียวยาจากหมอและพยาบาลก็ฟื้นคืนสติหลังจากสลบสลายไปห้าชั่วโมงเต็ ม, เ, ตมเขาลืมตาขึ้น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 หลวงพี่หลวงพี่ครับน้อยหล่อผุดลุกนั่งจากเตียงทั้งที่สายน้ำเกลือระโยงระยางก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างนอนนิ่งๆค่ะอย่าเพิ่งลุกคุณต้องอยู่ในความดูแลของหมออีกหลายวันพยาบาลบอกพลางจับเขาให้นอนลงแล้วแล้วหลวงพี่ของผมละ่ะตายหรือเปล่าครับเขาละล่ำละลักถาม หลวงพี่ไหนคะก็พระที่นั่งรถมากับผมนะครับไม่มีนี่คะเขานําคุณส่งคนเดียวตอนนี้คนที่เขาพามาส่งก็กลับไปแล้วเขาบอกพรุ่งนี้จะมาใหม่พยาบาลบอกกล่าวงั้นก็แสดงว่าหลวงพี่ของผมหลวงพี่เขาร้องไห้ราวกับเด็กท่านคงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ เพราะถ้าเป็นเขาคงนำมาส่งโรงพยาบาลด้วยคุณพักผ่อนก่อนดีกว่าจะได้หายเร็วๆในหล่อยังคงร้องไห้เขาคิดว่าหลวงพี่มรณะภาพเสียแล้วไม่เช่นั้นคงถูกนำส่งโรงพยาบาลพร้อมกับตัวเขาโทรหลวงพี่ไม่น่าต้องมาเสียชีวิตเพราะผมเลยหลวงพี่ครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยถ้าผมออกจากโรงพยาบาล จะขอบวชตลอดชีวิตเพื่อชดใช้กรรมที่ผมทำให้หลวงพี่ตายไม่ตรงไม่แต่งมาแล้วนะเมียน่ะเขาร้องไห้รำพึงรำพัน